ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่48โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี m p สาแผ่นที่48 MP3 แสแผ่นนี้หลวงพ่อให้คติธรรมหัวข้อว่าปาดก่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักถ้า ภาละชนทั้งหลายมองรู้ว่าชีวิตนี้ยืดยาวเท่านั้นปีเท่านี้เดือนแต่ปาดท่านมองอีกในมุมหนึ่งว่าชีวิตนี้น้อยหนักเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้พิจารณาดูให้ดีสิว่าคำว่าปาดกับภาละชนปาดคำนี้เนี่ยท่านบอกว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจะทำสิ่งไหนให้ตั้งใจทำ ทำแต่สิ่งที่ดีเพราะชีวิตนี้น้อยนักสมัยเมื่อเป็นเด็กเราก็เรียนหนังสือพอต่อมาเมื่อรู้เดียงสาภาวะาได้ทำการทำงานจากนั้นก็มีครอบครัวจากนั้นก็สร้างฐานะเมื่อสร้างฐานะไม่เท่าไหร่ก็เข้าสู่วัยชราจากนั้นก็ชีวิตของพวกเราขอโ ร, โรยไปตามอายุสังขารพิจารณาดูแล้วน้อยนักจริงๆ แต่พาละชนทั้งหลายคนที่ไปคิดสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาไปเป็นวันๆเป็นเดือนๆ เ, เป็นปีๆผลในสุดก็ถึงจุดจบมันกันแปลว่าทิ้งชีวิตทั้งชีวิตให้ไร้ประโยชน์ให้ไร้ราคาจริงๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นพาละชนหรือจะเป็นปราชถ้าเป็นปราชดเราก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดี สิ่งไหนที่จะเป็นคุณความดีพวกเราควรจะขนขวายและกระทำสิ่งนั้นให้มากแต่ถ้าหากว่าเราเป็นภาลชนที่ไม่มองไกลมองแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นวันๆไปนั้นก็น่าเสียดายชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาแล้วทั้งที่จะทำคุณค่าให้เกิดกับตัวเองเกิดกับวงศาคณาญาต เกิดกับประเทศชาติบ้านเมืองเกิดกับโลกให้มีแต่ความร่มเย็นผาสุขแต่ตัวเองกลับเอาทมแต่ความหายนะเข้ามาสู่ชุมชนและสังคมต่อโลก mm hmm. เพราะนั้นขอฝากไว้กับคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนแ ต, แต่ท้งนี้ทางนั้นก็ไม่ได้เย้ยหยันไม่ได้ตำหนติติเตียนผู้ใดใครผู้หนึ่งเพียงแต่บอกกล่าวเป็นคา ก, กลางๆว่าพวกเราท่านทั้งหลาย ชีวิตนี้น้อยนักอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมแต่คุณงามความดีถ้าพวกเราสั่งสมแต่คุณงามความดีพวกเราจะมีแต่ความสุขกายสบายใจไปณนะสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมทั่วนหน้ากันการกล่าวแนะนำา MP3 แผ่นที่48ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอํานาจวาจนาบา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆุ ท, กท่านทุกทุกคนเทิด